โดยทีรวดียิ่งมีและนัดนรีสุข ด, ดีทุกวันอาทิตย์4นาริกาถึง5นาริกาที่วิทยุราชมงคลทัญบุรี FM 89.5 เม z เ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเฮลตี้คลับของคนรักสุขภาพนะคะรายการสุขภาพค่ะที่อยู่กับคุณผู้ฟังในทุกๆวันครอบครัวแบบนี้ค่ะทุกๆวันอาทิตย์นะคะ4ี่นาฬิกาถึง5้านาิกาค่ะ1ชั่วโมงเต็มเตมกับสาระความรู้ในเรื่องของสุขภาพนะคะดำเนินรายการค่ะดิฉันธีรวดียิ่งมีค่ะดิฉันนัดนารีสุกดีค่ะค่ะก็เป็นช่วงของต้นๆจับแล้วยังเป็นต้นเดือนกันยายนนะคะพี่แมวใช่แลส่ฝนก็ค่อนข้าง โรยปลายสุขภาพของแต่ละท่านก็บางคนก็คนที่เป็นภูมิแพ้ก็ค่อนข้างลำบากนิดนึงเหมือนกันนะคะพี่แมวใช่แล้วค่ะเพราะว่าช่วงนี้จะบอกว่าตอนเช้าถ้าเกิดมไม่ฝนตกก็ก็จะอากาศชื้นเนาะใช่ค่ะแล้วก็บางทีช่วงเสฉะสายใบใบอ่ะแดดออกตอนนี้ฝนตกใหม่ค่ะฝนโตราราชการนะค ะ, ค, ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะก็ถ้ารู้ว่าเราค่อนข้างเป็นคนที่ ป่วยง่ายอาจจะต้องหาซื้อวิตามินซีนอกจากออกกําลังกายแล้วนะคะหรือว่าทานผักผลไม้ก็ได้ที่มีวิตามินซีนะคะก็จะทําให้ร่างกายคุณผู้ฟังเนี่ยแข็งแรงขึ้นพร้อมที่จะต่อสู้กับอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตอนนี้นะคะค่ะสําหรับในเรื่องของเบรกแรกเนี่ยเรามีอยู่แล้วค่ะคุณผู้ฟังก็จะเป็นในเรื่องของข่าวสารแล้วก็กิจกรรมสุขภาพนะคะซึ่งเริ่มต้นที่ดีชันเลยแล้วกันนะคะเป็นของ โรงพยาบาลหัวเฉียวค่ะเขาจัดอบรมให้กับผู้ป่วยโรคเบาหวานนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้วิวัฒนาการของการรักษาโรคเบาหวานมีมากขึ้นค่ะรวมถึงการใช้ยาการใช้ยาเพื่อลดระดับน้ําตาลแล้วก็แต่ละกลุ่มของยาเนี่ยก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปนะคะการให้ความรู้กับผู้ป่วยเบาหวานในการใช้ยาถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญค่ะศูนย์เบาหวานโรงพยาบาลหัวเฉียวเขาก็เลยจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานเรื่องเบาหวาน เบายาเบาใจนะคะเพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีความรู้เพียงพอในการใช้ยาค่ะโดยจัดอบรมในวันอังคารที่10กันยายนนะคะเวลา8นาฬิกาสนาทีถึง10นาฬิกาค่ะที่ศูนย์เบาหวานโรงพยาบาลหัวเชียวนะคะฟรีค่ะคุณผู้ฟงังไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะโทรไปสำรอง สำรองที่นั่งหรือว่าสอบถามข้อมูลได้นะคะที่เบอ์02 223 1351ต่อ3403นะคะ02 223 1351ต่อ3403ค่ะ มาถึงกิจกรรมของดิฉันบ้างนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่นํามาฝากคุณฟังกันในวันนี้ก็คือทางชมรมโรคมะเรง็งต่อมน้ําเหลืองแห่งประเทศไทยนะคะก็เป็นการร่วมมือค่ะจากโรงเรียนแพทย์นะคะแล้วก็สถานพยาบาลที่สําคัญทั่วประเทศเลยค่ะทั้งหมด13แห่งด้วยกันนะคะก็จัดกิจกรรมให้ชื่อว่าปฏิหารเปลี่ยนมะเร็งให้เป็นสุขนะคะโดยกิจกรรมครั้งนี้ค่ะได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่6แล้วล่ะนะคะศูนย์จะจัดให้มีในวันอาทิตย์ที่15กันยายนนี้ค่ะ ตั้งแต่เวลา13นาฬกาที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ชั้น3ลาน D ลานอีเดนนะคะโดยการจัดกานในครั้งนี้ค่ะคุณฟังเขามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้คนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองทุกคนเนี่ย <c oughs> ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมถึงว่าจะได้มีแรงมานานใจที่ดีเพื่อที่จะก้าวข้ามผ่านโรคร้ายไปให้ได้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าให้รู้สึกว่าถึงแม้จะป่วย <c oughs> แต่ก็สามารถที่จะป่วยอย่างมีความสุขได้นะคะ <c oughs> ทั้งนี้ภายในภายในงานเนี่ยก็จะมีทั้งแขกรับเชิญมากมายแล้วกกก็มมีีิจจรรท่่น่นนาสนใซึง กิจกรรมในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะใครที่สนใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะซึ่งทางชมรมโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาก็ร่วมมือกับโรงเรียนแพทย์แล้วก็สถานพยายบาลทั่วประเทศนะค ะ, คะก็จัดให้มีกิจกรรมนี้ค่ะในวันที่15กันยายนนะคะตั้งแต่เวลา13นาฬิกาที่ศูนย์กันข้าสเอนเตอร์เวิร์ชั้น3ลานอีเดนค่ะใครที่สนใจก็สามารถที่จะไปเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ค่ะค่ะอีกหนึ่งขา่าวสารกิจกรรมนะคะเป็นเรื่องของโรคซึ ภาวะจิต ท, ที่พบบ่อยมากที่สุดคือปัจจุบันเนี่คนก็เป็นโรคซึมเศร้าเยอะนะคะพี่แมวค่ะมันก็บางคนเขาก็เสียชีวิตก็มีนะคะก็คือทางมูลนิธิหมอชาวบ้านนะคะเขาจัดอบรมค่ะในเรื่องของโรคซึมเศร้าภาวะทางจิตที่พบบ่อยมากที่สุดนะคะซึ่งวิทยากรก็เป็นรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอัตตสกุล น, นะคะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชค่ะ กิจกรรมนี้มีในวันเสาร์ที่14กันยายนนะคะเวลา13นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีนะคะที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะนะคะชั้น2ห้อง201นะคะก็ของสสนี่แหละค่ะซึ่งเขารับแค่200ท่านนะคะพี่แมวค่ะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ว่าจำกัดแค่200ท่านแรกนะคะโดยที่ถ้าสนใจนะคะจะสมัครเนี่ยอาจจะ เขาเรียกว่าอะไรอะสแกน QR Code ลองไปเสิร์ชดูนะคะในเรื่องของโรคซึมเศร้าภาวะทางจิตที่พบบ่อยมากที่สุดนะคะรวมถึงทางรายค่ะทางรายเนี่ยสามารถแอดไปได้ค่ะที่ f o x d o c t o r นะคะ f o l k ค่ะ d o c t o r นะคะก็ลองเข้าไปดูนะคะแล้วก็รายละเอียดต่างๆตึงมันก็ดีมากเพราะว่ามูลนิธิหมอชาวบ้านเขาก็จัดอบรมเพื่อประชาชนอยู่บ่อยๆนะคะพี่แมวค่ะ ก็ถือเป็นกิจกรรมดีๆที่เราทั้งสองคนนำฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกันนะคะเรากลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการค่ะสักครู่ค่ะ e a l ที่กลับกลับของคนรักสุขภาพสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยา ศ, าศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมร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 เปิดบริการตั้งแต่8โมงเช้าถึงใบ3โมงจั้นถึงสุขโภง 02-549-3043 หรือที่ www.lotus.rmutt.ac.th มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญญบุรี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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีมุ่งผลิตบุคลากรวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพโดยบุรณาการองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยกับวิทยาศาสตร์สุขภาพกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการเฮลที่คลับคลับของคนรักสุขภาพนะคะช่วงนี้เป็นช่วงของเฮลทิฟค่ะทริปสุขภาพนะคะในเรื่องของความรู้สุขภาพเคล็ดลับต่างๆเนี่ยมีในช่วงนี้เลยนะคะพี่แมวมีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังคะขอเริ่มต้นของพี่ก่อนเลยแล้วกันนะคะสําหรับใครที่ เมือม่อเมือ่อตอนตอน้ตนช่วงแรกเราบอกว่าเราเข้าสู่เดือนกันยากันแล้วใช่ไหมคะก็ถือว่าเลยครึ่งปีมาแล้วล่ะนะคะก็อีกไม่กี่เดือนประมาณสเดือนเนาะเราก็จะขึ้นปีใหม่กันแล้วทีนี้ถ้าเกิดใครมีจุดมหมายว่าเอ๊ะปีนี้เรายังไม่ได้ตรวจสุขภาพเลยผ่านล่วงเลยมา9เดือนแล้วยังไม่ไปตรวจสุขภาพนะคะก็อยากจะชวนช น, ชนคุณผู้ฟังให้ไปตรวจสุขภาพกันแต่ทีนี้เคล็ดลับที่จะนอหมอกคุณผู้ฟังกันในวันนี้ก็คือในเรื่องของการเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพว่าเราจะมีการเตรียมตัวได้อย่างไรบ้างนะคะซึ่งเราก็ทราบกันดีอยู่ล่ะค่ะคุณผ ประจำปีนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะคะโดยอาจจะต้องเสียเวลาวันหนึ่งในหนึ่งปีนะคะเพื่อที่จะมาตรวจสุขภาพการเช็คความแข็งแรงของร่างกายของเรานะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คืออาจจะต้องตรวจ หาสิ่งผิดปกติภายในร่างกายนะคะซึ่งถ้าเกิดเราตรวจก่อนเนี้ยเราก็อาจจะหาทางป้องกัน ร, รักษาได้ทันท่วงทีนะคะทีนี้ก่อนที่จะไปตรวจสุขภาพหรือว่าความสําคัญในเรื่องของการตรวจสุขภาพนี่เป็นอย่างไรบ้างนะคะการตรวจสุขภาพเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญค่ะคุณฟางเพราะามีหลายโรคหลายชนิดที่เป็นภัยเงียบนะคะซึ่งบางทีนเนีในระยะเริ่มต้นเนี้ยก็จะไม่ก่ออาการให้เราเห็นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราพบแล้วก็สามารถที่จะรักษาได้เนี้ยโอกาสหายก็จะมีมากาการตรวจสุขภาพก็ใช่ว่าจะมีแต่ผู้หญ่ เท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังเด็กก็มีความสำคัญในเรื่องของการตรวจสุขภาพเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวนี้เขาจะมีอย่างนี้นะพี่แมวตรวจสุขภาพก่อนัยเรียน มีค่ะตรวสุขภาพก่อนแต่งงานมีหมดเลยค่ะเพราะว่าบางทีเนี้ยในการที่น้องทีบอกอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันค่ะเพราะว่าในเรื่องของก่อนเข้าวัยเรียนเนี้ยบางทีน้องๆเตรียมความพร้อมนะน้องน้องบางคนเนี้ยอาจจะมีวุฒิภาวะที่ไม่เหมือนกันในการที่การเจริญเติบโตนะคะในเรื่องของสมองในเรื่องของ i q e ิวต่างๆเนี้ยบางทีมันก็ต้องมีการทดสอบก่อนที่จะเข้าเรียนด้วยนี่แหละค่ะถึงเป็นที่มาว่าเราต้องมีการตรวจสุขภาพเด็กเช่นเดียวกันนะคะโดยถ้าเป็นเด็กเล็กเนี้ยบางทีเราต้องในเรื่องของการฉีดวัคซีนเพราะในเด็กเนี้ยต้องฉีดวัคซีนะะค รวมทั้งมีการตรวจในในเรื่องของการเจริญเติบโตการพัฒนักพ อ่าพัฒนาการที่สมวัยหรือเปล่านะคะมีความผิดปกติต่างๆหรือเปล่านะคะแล้วก็ที่สําคัญในเรื่องของการตรวจสุขภาพตั้งแต่เด็กเนี่ยก็จะทําให้คุณหมอเนี่ยได้ตรวจสอบปัจจัยแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กในอนาคตได้นะคะอย่างเช่เนในเรื่องของสายตาในเรื่องของกระดูกการจเจริญเติบโตต่างๆนะคะทีนี้การตรวจสุขภาพเนี่ยก็ต้องตรวจให้เหมาะสมกับตัวเราไม่ใช่บางคนโอ้โหตรวจทุกสิ่งอย่างนะคะโรงพยาบาลให้ตรวจอะไรก็ตรวจหมดนะคะแต่ว่าเราเนี่ยสามารถที่จะตรวจตาม ความจำเป็นได้ค่ะคุณผู้ฟังก็คือไม่ให้เกิดการสิ้นเปลืองนั่นเองนะคะแล้วก็การตรวจบางอย่างเนี่ยอาจจะนําไปสู่ภาวะที่อาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ทีนี้การตรวจสุขภาพประจาปีค่ะบางคนก็จะบอกว่าใน1ปีเราต้องตรวจสุขภาพหนึ่งครั้งแต่จะบอกคุณผู้ฟังค่ะว่าการตรวจสุขภาพเนี่ยไม่จําเป็นว่าต้องเป็นตรวจแบบภายใน1มกราถึง31มธันวาเราไปตรวจเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะแต่นับระยะไปภายในระยะเวลา1ปีถ้าเกิดใครจะไปตรวจพรุ่งนี้อ่ะนะคะพรุ่งนี้เป็นวันจันทร์ใครคิดว่าอาจจะไปตรวจสุข ภาพก็เริ่มนับตั้งแต่เดือนกันยานี่ล่ละ จนถึงเดือนกันยาหน้าก็ถือว่าภายใน1ปีที่เราไปตรวจสุขภาพนะคะก็ถือว่าเราก็ไม่จําเป็นว่าต้องเป็นต้นปีถึงปลายปีเท่านั้นนะคะแต่เป็นการตรวจตามระยะนะค ะ, ะอาจจะเป็นความจําเป็นของแต่ละบุคคลอาจจะไม่เหมือนกันบางคนขึ้นอยู่กับการเดินทางนะคะอายุเพศนะคะหรือว่าโอกาสที่จะเสี่ยงต่างๆอย่างเช่นบางคนมีความรู้สึกว่าเอ๊ะฉันเป็นเบาหวานหรือเปล่าอเอ๊ะฉันเป็นความดันหรือเปล่าคือจาการก่อเกิดนะคะใ ห, ให้สงสัยว่าจะเป็นโรคนั้นโรคนี้หรือเปล่าก็คือเป็นการตรวจสุขภาพนั่นเอง หรือบางคนเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าการตรวจสุขภาพคือการค้นหาโรคไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่คือต้องไปตรวจเลือดต้องตรวจปัสสาวะเพื่อที่จะเอาสิ่งเหล่านี้แหละไปเข้าห้องแล็บเพื่อที่จะมุ่งเน้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือว่าบางทีนี้บางคนมีความเข้าใจผิดว่าการตรวจสุขภาพคือเราเป็นแบบนั้นรเราเป็นแบบนี้เราไปตรวจซะเพื่อเราจะได้รู้ว่าเอ๊ะเราเป็นแบบนี้ใช่ห<ต>รือเปล่าแต่ว่าการตรวจสุขภาพเนี่ยเราอาจจะเป็นการคุยพูดคุยกับคุณหมอเป็นการเบื้องต้นว่าลรามีอาการ บ้านเอียงบ้านหมุ น, นหมุนม <c oughs> หรือว่าหายใจไม่สะดวกหรือว่ามีความรู้สึกว่า <c oughs> นอนไม่หลับ <c oughs> นอนไม่หลับใช่ค่ะแล้วก็บ <c oughs> านก็เป็นเนย <c oughs> อาจจะเป็นแบบเอ๊ะทำไมมีความรู้สึกว่าเห <c oughs> งื่อออกง่ายเป็น <c oughs> ความดันหรือเ ป, เปล่าเป็นเบาหวานหรือเปล่าอันนี้ก็คือเป็นการบ่งบอกหรือไม่ก็เป็นการพูดคุยกับคุณหมอนะคะว่าอาการเหล่าเนี้จะบ่งบอกถึงเป็นโรคอะไรได้บ้าง ทีน่นี้การตรวจสุขภาพบางคนก็บอกว่าก็ไปตรวจอยู่น ะ, ะเป็นประจำอยู่ทุกปีแหละแต่เรานะคะ บ, บางคนก็บอกว่าฉันไม่อยากไปหาหมออ่ะไม่อยากตรวจสุขภาพบางคนคก็อาจจะเรื่องของปัจจัยของเรื่องของ การตรวจก็คือเรื่องของเงินเรื่อง ข, ของค่าใช้ใชจ่า ย, ายใช่ค่ะทีนี้เราก็สามารถที่จะตรวจสุขภาพของตัวเองได้อย่างเช่นสังเกตในเรื่องของพฤติกรรมนะคะว่าเรามีพฤติกรรมอะไรแปลกไปไหมน้าหนักเราเพิ่มขึ้นหรือเปล่ามีเส้นรอบเอวเนี่ยอยู่ในภาวะของการลงพุงล ง, พงหรือเปล่านะคะแล้วก็ในเรื่องของส่วนสูงน้ําหนักมีความสมดุลกันไหมหรือว่ามีความดันโลหิตที่แตกต่างไปล้น เหนื่อยง่ายะนะคะเหงื่อออกง่ายอันนี้ก็ต้องตรวจสุขภาพด้วยตัวเองมันการเบื้องต้นก่อนนะคะ<ม>ทีนี้มาถึงการเตรียมตัวก่อนที่จะตรวจสุขภาพค่ะคุณผู้ฟังก็คืออย่างแรกเลยค่ะพรุ่งนี้เราจะไปตรวจสุขภาพใช่ไหมคะคืนนี้ค่ะคุณฟังเราต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย6ชั่วโมงนะค ะ, คะเป็นการต้อนรับการตรวจสุขภาพที่สมบูรณ์แบบนะคะไม่ควรที่จะอดนอนเพื่อว่าถ้าเกิดว่ า, าอดนอนนอนไม่เต็มที่เนี่ยผลตรวจออกมาแล้วอาจจะมีค่าที่ผิดปกติได้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความดันโลหิตแล้วก็การเต้นของ อุณหภูมิของร่างกายอาจจะทําให้คุณหมอเนี่ยประเมินค่าผิดพลาดได้นะคะค่ะแล้วก็ที่เราจะทราบก็เป็นประจำในข่านท้องทีก็คือในเรื่อ ง, องการง<ม> ด, ด, ดอาหารง ด, ดนา้ด า, าใช่มมะคะ่ะซึ่งเขาก็จะบอกว่าอยู่ที่ประมาณสองทุ่มหรือสามท่มอยู่ในช่วงระยะเวลานี้แต่ว่าคุณหมอบอกว่าให้หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่าเครื่องดื่มก็แล้วแต่เนี่ยอย่างน้อยค่ะคุณผู้ฟังประมาณ8ปดถึงชั่วโมงก่อนเข้าตรวจแต่ว่าบางคนอาจจะ กระหายน้ำนะอาจจะ <c oughs> จิบได้บ้างเล็กน้อยนะคะอยากกินกันแบบเป็นแก้วๆขวดๆบางทีมันก็อาจจะทําให้ค่าที่เราจะตรวจในวันรุ่งขึ้นว่าจะเป็นค่าเลือดหรือค่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผิดไปนะคะแล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งควรที่จะงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้จะไปตรวจสุขภาพเย็นนี้ดื่มแอลกอฮอล์ก็ไม่ได้เพราะว่าาต้องให้งดอย่างน้อย24ชั่วโมงค่ะเพื่อว่า ยาหรือว่าแอลกอฮอล์เนี่ยอาจจะมีผลต่อการตรวจบางอย่างนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ากําลังรับประทานอาหารเพื่อควบคุมความดันโลหิตเนี่ยก็สามารถรับประทานได้ตามที่คุณหมอแนะนําคือบางทีเนี่เราก็ต้องไปแจ้งคุณหมอก่อนว่าเรามีความดันอยู่นะเรามีโรคประจําตัวอยู่หรือเปล่านะคะหรือถ้ามีโรคประจําตัวก็หรือว่าประวัติเกี่ยวกับสุขภาพอื่นๆเนี่ยก็ต้องนําผลของการตรวจนะนะั้นไปในวันที่ตรวจสุขภาพด้วยนะคะควรที่จะสวมใส่เสื้อผ้าที่สะดวกต่อการเจาะเลือดการาพับแขนหรือว่าการวัดความดันเพราะ การลดความดันเดี๋ยวนี้เขาก็ใช้วิวัฒนาการก็คือไม่ไม่ต้องบีบแล้วแหละการใช้มือสอดเข้าไปเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะใส่เป็นเสื้อแขนสัน้นนะคะเพื่อความสะดวก น, นั่นเองนะใช่แล้วค่ะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่จะต้องตรวจคัดกรองเกี่ยวกับโรคมะเรง็งหรือมะเร็งเต้านมเนี่ยควรหลีกเลี่ยงในช่วงที่มีประจําเดือนนะคะซึ่ง เนี่ยถ้าเกิดระหว่างที่มีประจำประจำเดือนเนี่ยบางทีเขาเกิดคัดปัสสาวะไงคะคัดตึงของของเต้านมก็มีเหมือนกันใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่จะไปตรวจคัดกรองเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมนะคะก็อย่าไปในช่วงที่กําลังมีประจำเดือนนะคะหรือว่าสงสัยว่าตัวเองเนี่ยกำลังจะตั้งครรภ์ก็ให้รีบบอกคุณหมอเลยเพราะว่าบางทีนี่ในเรื่องของปัสสาวะนี่แหละลังสีต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยค่ะมันอาจจะมีผลใช่แล้วค่ะลังสีที่อาจจะ ไวรร้อนอยู่ทั่วๆั่วไปภายในโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะมีผลต่อคานได้ฉะนั้นแล้วนี่ ท, ทั้งหมดทั้งมวลที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ก็คือเป็นการเตรียมตัวเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพใครที่ยังไม่ไปตรวจนะคะและมีความคิดว่าเออใช่บางคนอาจจะลืมไปแล้วหรือว่านัดคุณหมอไว้หรือว่าเอ๊ ฉันควรจะไปดีไหมนะคะสิ่งเหล่านี้แหะค่ะที่ดิฉันนำมาบอกในหลักก็จะเป็นการเตรียมตัวเบื้องต้นนะคะสําหรับแต่ว่าใครที่ไม่ไปหรือว่าฉันมั่นใจว่าสุขภาพฉันดีก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอาหารการกินในเรื่องของสุขภาพแล้วที่สําคัญต้องสังเกตอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายด้วยค่ะค่ ะ, คะก็เอามาฝากกันค่ะมาถึงทริปของดิฉันบ้างนะคะก็เอาใจคุณผู้หญิงเหมือนกันบางทีก็พออายุ 40ขึ้น45ขึ้นก็บุูบบา้บาบพี่แมวค่ะไวทอง <c oughs> ก็มีบ้างเหมือนกัน ม, มันมีอาการนะคะว่าเราจะสามารถเช็คอาการว่าอาการต้องสงสัยว่าเราเนี่ยเข้าสู่ไวทองได้เนี่ย ต้องมีวิธีการเช็คอย่างไรบ้างนะคะคือวัยทองก็คือวัยหมดประจําเดือนในคุณผู้หญิงมันไม่ใช่โรคนะคะแต่ว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตามธรรมชาติก็จะเกิดขึ้นในช่วงอายุประมาณนะคะคุณผู้ฟัง 45-55 ปีโดยเฉลี่ยซึ่งอาการก่อนที่จะเข้าสู่วัยทองนั้นนะคะก็คือประจําเดือนก็จะมาผิดปกติมาทีบ้างหรือว่าห่างขึ้นนะคะก็อย่างที่บอกช่วงแรกเลยปวดเมื่อยร้อนๆเ น, น, น่าๆวุบว้าวุบว้าวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คืออาการของวัยทองค่ะคือเมื่อรังไข่หยุดทํางานเนี่ย ร่างกายก็ไม่มีโฮอร์โมนแ พ, แพทย์หญิงเพศหญิงนะคะเมื่อฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงเนี่ยก็จะทําให้มีอาการอ่อนเพลียปวดศีรษะนอนไม่รับใจสัซนอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่ายมีความรู้สึกทางเพศลดลงค่ะ <c oughs> นอกจากนี้สิ่งที่ตามมาเมื่อร่างกายไม่มีโฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยก็คือเรื่องของระบบกระดูกทําให้สูญเสียเนื้อกระดูกง่ายเกิดกระดูกบางกระดูกพุ่นเนื่องจากโฮอร์โมนตัวนี้จะทําหน้าที่ช่วยจับแคลเซียมเข้าสู่กระดูกนะคะคุณผู้หญิงทั้งหลาย ที่อยู่ในช่วงของวัยทองเนี่ยอาจจะต้องทานอาหารที่มีแคลเซียมมากขึ้นจากปกติทั่วไปค่ะเพื่อเสริมสร้างกระดูกนะคะและภาวะและป้องกันภาวะกระดูกพูนอาหารที่มีแคลเซียมสูงก็พวกนมโยเกิรต์ตพืชตะกูลถั่วนะคะเต้าหู้น้ำเต้าหู้งาดาําปลาเล็กปลาน้อยผักใบเขียวหลีกเลี่ยงการทานชากาแฟรวมถึงต้องควบคุมน้ําหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ะะออกกําลังกายสม่ําเสมอด้วยการเดินวิ่งหย่อมๆว่ายน้ําก็จะช่วยให้ระบบกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกแข็งแรงนะคะคลายเครียดแล้วก็นอนหลับได้ดีการออกกําลังกายช่วยได้นะคะนอกจากนี้ค่ะในอย่างที่พี่เมวบอกเลยเมื่อกี้ในเรื่องของการเตรียมตัวตรวจสุขภาพประจําปีค่ะวัยทองนี่ก็ต้องแนะนําให้ไปตรวจสุขภาพประจําปีเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันจะเป็นการค้นหาโรคที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสื่อมถอยของร่างกายแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงของโฮอร์โมนค่ะอย่างเช่น โรคกระดูกพุนอืมอาจจะเริ่มเป็นสำหรับผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนนะคะโรคหัวใจและหลอดเลือดความดันโลหิตสูงแล้วก็ไขมันในเลือดสูงค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะเพราะจะได้รักษาตั้งแต่เนิ่นๆลดความรุนแรงของโรคแล้วก็มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะค่ะก็ มาบอกคุณผู้ฟังกันในเรื่องของอาการที่ต้องสงสัยเข้าสู่วัยทองบางทีเราก็ต้องพิจารณาตัวเองเหมือนกันพี่แมวมีอาการอย่างที่ที่ฉันบอกไหมคะยังค่ะยังมีค่ะแต่ก็ต้องเริ่มสังเกตดูบ้างแล้วนะค ะ, คะแล้วก็อาการบางอย่างนี่จะบอกมาก่อนในวัยทองรุ่นรุ่นเอาเป็นว่ารุ่นที่เป็นรุ่นพี่เราดีกว่านะค ะ, คะเขาก็จะพูดถึงว่าถ้าเป็นวัยทองนีน่อาจจะเป็นวัยใกล้เกษียน50ไปแล้ว5 5าสถึงหกแต่ว่าณเวลานี้แล้วเนี่ยไม่ต้องถึงอายุเท่านั้นนะคะก็เริ่มที่จะถอยลงมาในเรื่อง อ, อายุที่สามารถจะย่างเข้าสู่วัยทองได้ก็ปัจจัยหลายอย่างค่ะน้องทีคุณนุ่มฟัไม่ว่าจะเป็ น, นเรื่องของอาหารการกินไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตนะคะก็มีแต่ปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดวัยทองมากขึ้นนะคะแล้วก็รวมถึงเรือบางทีเนี่ยการใช้ชีวิตที่บางคนบอกว่าอาจจะแบบไม่ได้ระมัดระวังมาตั้งแต่ช่วงสาวๆช่วงตั้งแต่เริ่มต้นอ่ะนะค ะ, คะบางทีการใช้ชีวิตที่ผิดไปบ้างนะคะการที่ไม่ดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองมาตั้งแต่ต้นเนี่ยบางทีก็อาจจะทําให้ การที่เกิดวัยทองเนี้ยเกิดได้ไวมากขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็เวลาที่ฮอร์โมนมันผิดปกติอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นไปตามธรรมชาติเราก็ต้องปรับตัวด้วยนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับตัวเพื่อที่จะให้สามารถอยู่กับวัยทองได้เพราะว่ายังไงเราก็ต้องเป็นอยู่ดีในช่วงของวัยที่ะจะทาเดือนอาจจะใกล้หมดอะไรอย่างเงี้ยนะค ะ, คะจะบอกว่าวัยทองไม่ได้มีเฉพาะคุณผู้หญิงนะคะบางที ค, คุณผู้ชายก็เป็นเหมือนกันนะคะบางทีเนี้ยเขาก็คุณคือบางคนก็บอกเฮ้เป็นด้วยหรอผู้ชายอ่ะบางทีเขาก็มีนะคะบางทีเนี้ย เกิดความหงุดหงิดนะคะโดยที่ไม่มีสาเหตุหรือไม่ก็เกิดเพราะว่าเครียดหรือว่าบางทีอาจจะแบบการความต้องการทางเพศลดลงหรือว่ามีความที่แบบไม่ไม่มสนใจสิ่งรอบข้างอะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะเป็นไวัยทองได้เช่นเดียวกันแต่ว่าในเรื่องของไวท์ทองผู้หญิงเนี่ยจะสังเกตได้ง่ายกว่าผู้ชายนั่นเองก็เลยอาจจะทําให้มีความรู้สึกว่าเอ๊ะผู้ชายก็เป็นไวัยทองกันด้วยเหรอก็มีเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าบางทีเนี่ยอาจจะพบได้น้อยนะคะสําหรับคุณผู้ชายบางท่านค่ะค่ะ ก็ในเรื่องของการตรวจสุขภาพก็ถือว่าสาคัญนะคะคัดกรองได้ทุกโรคโดยเฉพาะโรคภาวะไวทองนี้ก็สามารถ เ, าเขาเรียกอะไรเตรียมพร้อมไว้นะคะสำหรับการดูแลสุขภาพนะคะบางทีโรคบางโรคเนี่ยกว่าจะเป็นมันก็เกิดอาการขึ้นมาละ<ช>แต่ว่าถ้าเราตรวจสุขภาพเราก็ คัดกองความเสี่ยงหรือว่าความน่าจะเป็นโรคนั้นๆได้แล้วก็รักษาได้เร็วขึ้นนะค ะ, คะก็เอามาฝากกันค่ะในช่วงของทริปดีๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ละกันนะคะแล้วกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการกันค่ะสักครู่ค่ะเฮลที่กลับกลับของคนรักสุขภาพสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม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 เินที่วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงมงคลทัญบุรีติดต่อสอบถามหรือปรึกษาฟรีโทร02 592 1999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 ช่วง Health Talk สนับสนุนโดยคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีสถาบันการศึกษาชั้นนำที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการพยาบาลมืออาชีพ กลับมาพบกับช่วงที่สามของรายการเทลที่คลับคลับของคนรักสุขภาพนะคะเป็นช่วงของเทลท็อกค่ะเทลท็อกในวันนี้ก็ยังอยู่กับดิฉันทิรวดีและพี่แมวคุณนัทนรีนะคะค่ะเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็หลายๆโรคเนี่ยมันอาจจะได้มาแบบมรดกพี่แมวง็เปพอมรดกแบบนี้ไม่เอาได้ไหมเลยแบบนี้ต่ในโรคอย่างเช่นพวกโรคมะเร็งโรคหัวใจนะคะโรคความดันโลหิตสูงอะไรอย่างเงี้ยนะคะกรรมพันธุ์มันมีผลต่อโรคของแต่ละคนที่จะเป็นนะคะ วันนี้เรื่องที่เราจะมาพูดคุยคุณผู้ฟังฟังก็เลยเป็นเรื่องของโรคทางพันธุกรรมพี่แมวค่ะอืมโรคทางพันธุกรรมเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติในพันธุกรรมหรือเกิดจากในโครโมโซมซึ่งสามารถถ่ายทอดในครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่นได้นะคะก็ก่อให้เกิดความผิดปกติตั้งแต่กําเนิดปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาให้ใหายได้ค่ะทําได้เพียงรักษาตามอาการและติดตามผลเท่านั้นนะคะตัวหนึ่งที่สําคัญมากก็คือยีนนะคะ ยีนนี่คือหน่วยพื้นฐานทางพันธุกรรมซึ่งมีส่วนประกอบของ DNA ค่ะรวมทั้งตั้งแต่ตั้งแต่ไม่กี่ร้อยยีนไปเนี่ยจนถึงหลายล้านยีนเลยนะคะรวมกันทั้งนี้ก็ประมาณได้ว่าร่างกายมนุษย์เนี่ยมียีนอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0ืถึง 25, ยีนค่ะเมื่อยีนหลายๆตัวรวมกันก็จะกลายเป็นสาย DNA นะคะที่มีลักษณะเป็นแท่งเกลียวค่ะแล้วเมื่อสาย DNA อยู่รวมกันมากๆก็จะกลายเป็นโครโมโซม โครโมโซมเราอาจจะได้ยินบ่อยโครโมโซมนี่แหละเขาเป็นสารนะคะพันธุกรรมที่อยู่ภายใต้นิวเคลียร์ของเซล์ในแต่ละเซลล์ค่ะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาตาเปล่านะคะโดยแต่ละนิวเคลียร์จะมีโครโมโซมทั้งหมด23คู่ก็คือหรือทั้งหมด46แท่ง46แท่ง23คู่โครโมโซม22คู่แรกทำหน้าที่ควบคุมลักษณะต่างๆในร่างกายค่ะยกเว้นเรื่องเพศส่วนโครโมโซมคู่ที่23เนี่ย จะควบคุมลักษณะความแตกต่างกันในเรื่องเพศค่ะก็จะทำให้เกิดว่าเป็นเพศชายหรือว่าเพศหญิงหากเป็นเพศหญิงโครโมโซมก็จะเป็น x 2ตัวนะคะส่วนเพศชายโครโมโซมก็จะเป็น x และ y อย่างละ1ตัวค่ะการถ่ายทอดทางพันธุกรรมจะถูกสุข ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นโดยการปฏิสนธินะคะซึ่งโครโมโซมจะถูกถ่ายทอดทางอสุจิของเพศชาย23แท่งและทางไข่ของเพศหญิง23แท่งรวมกันทั้งหมดก็คือ46แท่งนะคะคือพ่อหรือแม่เนี่ยหากพ่อหรือแม่มีลักษณะโครโมโซมที่มันผิดปกติและเกิดอาการพาเราในกระบวนการปฏิสนธิก็จะทําให้เด็กที่เกิดออกมาเนี่ยมีลักษณะที่ผิดปกติหรือเรียกว่าโรคทางพันธุกรรมที่เราพูดคุยกันอยู่นี่นะคะโรคทางพันธุกรรมสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท เกิดตามโรคแล้วก็เกิดตามลักษณะของพันธุกรรมค่ะอย่างเช่นโรคที่เกิดจากความผิด ป, ปกติของยีนเดียวหรือโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากการผ่าเหล่าของยีนซึ่งการผ่าเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นที่โครโมโซมเพียงแท่งเดียวหรือโครโมโซมหลายแท่งก็ได้ความผิด ป, ปกติอาจจะเกิดจาก การถ่ายทอดทางพันธุกรรมของยีน2ชนิดอย่างเช่นยีนเด่นกับยีนด้อยอันนี้เราได้ยินเป็นประจำนะคะพี่แมวค่ะโรคที่เกิดจากยีนเด่นเนี่ยเกิดจากการที่ทารกได้รับยีนเด่นจากพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งซึ่งการได้รับยีนเด่นที่มีพันธุกรรมผิดปกติเพียง1ยีนจะทําให้มีโอกาสที่จะเกิดทําพันธุกรรมได้ถึง 50% ของโรคยีนด้อยนะคะต่างจากโรคยีนด้อยที่ต้องมียีนด้อย2ยีนขึ้นไปถึงจะทําให้มีโอกาส เกิดทางพันธุกรรมได้ก็คือถ้าเป็นยีนเด่นเนี่ยพ่อหรือแม่เป็นเนี่ยลูกจะได้มา 50% แต่ถ้าเป็นยีนด้อยเนี่ยต้องสองยีนขึ้นไปนะคะถึงจะทำให้มีโอกาสเกิดทางโรคทางพันธุกรรมได้นะคะโรคที่เกิดจากยีนเด่นเนี่ยก็ได้แก่โรคประสาทชักกระตุโกโรคเท้าแสนปมโรคนิ้วในถุงไตยอย่างเงี้ยนะค ะ, คะยีนด้อยบ้างโรคที่เกิดจากยีนด้อยเป็นโรคที่เกิด จากการได้รับยีนด้อยจากพ่อหระแม่และแสดงอาการก็ต่อเมื่อพ่อกับแม่อยู่ในสภาวะที่เป็นพาหะทั้งคู่นะคะโรคที่เกิดแล้วมีความเกิดจากยีนด้อยเนี่ยเพียงพ่อหรือแม่คนใ ด, ดคนหนึ่งเป็นพาหะก็มีโอกาสป่วยได้นะคะเพียงคนเดียวโอกาสที่เด็กจะได้รับยีนแล้วก็แสดงโรคก็จะน้อยลงนะคะโรคที่อาจจะเกิดยีนด้อยก็โรคเมล็ดเมล็ดอ่าเขาเรียกอะไรอะเม็ดเลือดแดง e รูปเขียวนะคะนะคะแล้วก็โรค ฟินลโคตูโนเรียนะคะโรคถุงน้ำในไตในยินด้อยอโรคอาจจะยากๆนิดนึงนะคะพี่แมวชื่อ แล้วก็แต่ละโรคนี้ก็คือเกี่ยวกับยีนเด่นกับยี น, น, ยนด้อยบางทีก็ต้องดูทั้งฝั่งคุณพ่อแล้วก็ฝั่งแม่แมด้วยใช่ใชค่ะทีนี้โรคที่เกิดจากโครโมโซมทางเพศบ้างค่ะคุณฟังนะคะก็เป็นโรคทางพันธุ ก, กรรมที่เกิดขึ้นได้น้อยะคะ่ะโดยมีสาเหตุมาจากความ ผ, ผิดปกติของยีนเด่นนะคะแล้วก็ยีนด้อยถือเขาต้องมีความผิดปกติด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละคะ่ะแต่ว่าอยู่ภายใต้โครโมโซมเพศก็จะส่งผลให้เกิดโรคต่างๆนะคะทีนี้โรคที่จะเกิดความผิดปกติของโครโมโซมเนี้ยมีโรคอะไรบ้างนะคะก็จะมีสาเหตุ เกิดจากลักษณะของโครโมโซมหรือจํานวนของโครโมโซมนี่เขาผิดปกติไปซึ่งสามารถแบ่งความผิดปกติของโครโมโซมได้เป็นสองแบบค่ะคุณผู้ฟังก็คือความผิดปกติที่จํานวนนะคะเกิดจากการที่โครโมโซมนี้มีจำนวนที่ขาดหรือเกินนะคะซึ่งโรคพันธุ ก, กรรมที่เกิดในกลุ่มนี้เนี่ยที่เราจะได้ยินเป็นประจำก็คือโรคดาวซินโดรมนะคะ mm. แล้วก็โรคเทอร์เนอร์นะคะ ทีนี้ความผิดปกติของลักษณะของโครโมโซมเนี่ยก็เกิดจากลักษณะของโครโมโซมผิดเพี้ยนไปจากที่ควรจะเป็นเช่นบางทีเนี้ยเป็นโครโมโซมที่อาจจะต้องที่อาจขาดหายไปนะคะหรือว่ามีตัวโครโมโซมที่ซ้ํากันอยู่ผิดที่ผิดตําแหน่งขาดออกจากกานันหรือว่ากลับหัวกลับหางนะคะหรือว่ามีลักษณะคล้ายกับเป็นแหวนหรือเป็นวงกลมซึ่งโรคพันธุ ก, กรรมที้เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมเหล่านี้นะคะอย่างเช่นโรคมนุษย์หมาป่าเคยเคยเห็นเคยได้ยินอยู่นะเป็นสารคดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเคย ทีนี้โรคที่เกิดจากการกลายพันธุ์ของพันธุกรรมนะคะก็เป็นโรคที่เกิดจากการกลายพันธุ์ของยีนค่ะคุณนุฟังโดยมีปัจจัยมาจากวิธีการใช้ชีวิตนี่เองหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปนะค ะ, คะซึ่งโรคในกลุ่มนี้ที่พบได้ก็คือโรคอัลไซเมอร์อันนี้ก็ถ่ายทอดมาทางพันธุกรรมนะคะใช่ค่ะอัลไซเมอร์ใช่แล้วก็โรคเบาหวานโรคอ้วนรวมถึงโรคมะเร็งด้วยหละ่ะบางคนนี่บอกว่า เป็นอะไรก็ได้อะแต่อย่าเอามรดกตกทอที่เป็นโรคเบาหวานมาให้นะค ะ, คะทีนี้โรคทำพันธุกรรมที่พบได้บ่อยะค่ะก็จะมีอยู่มากมายหลายชนิดขึ้นอยู่กับความผิดปกติของพันธุกรรมนะคะอย่างเช่นท้องที่บอกที่จะพบได้ก็คือโรคถุงน้ำใ น, ในต่ะ โรคเม็ดเลือดแดงรูปเคียวนะคะโรคประสาทชะกตุกทาราซีเมียนะคะดาวซินโดมอันนี้จะบอกว่าที่เป็นอยู่เลยนะคะธาราซีเมียอผ่หาห่แต่เป็นแค่ผ่าห่ะเพราะว่าพ่อน่าจะเป็นผาห่าเหมือนกั น, น, นได้มาทางพันธุ ก, กรรมได้มาจากพันธุกรรมๆๆนึกค่ะนี่คือมรดกที่น้องถี่ต้องได้นะคะยินด้อยพ่อค่ะรวมถึงโรคตาบอดสีด้วยก็ถือเป็นโรคทางพันธุกรรมเช่นเดียวกันโรคตาบอดสีนี่บางทีนี่อาจจะมีผลในการใช้ชีวิตประจําวันด้วยนะอาจจะมองสีต่างๆผิดเพี้ยนไปนะคะทีนี้การวินิจฉัยโรค ทำพันธุกรรมค่ะคุณฟังซึ่งการวินิจฉัยโรคทำพันธุกรรมเนี่ยคุณหมอก็จะคํานึนถึงลักษณะทางกายภาพก็คือคุณพ่อคุณแม่ประวัติภายในครอบครัวแล้วก็เอาทั้งหมดทั้งมวลนี่แหละค่ะมาวิเคราะห์ร่วมกันกับผลตรวจพันธุกรรมด้วยวิธีต่างๆซึ่งสิ่งที่ช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคทำพันธุกรรมได้เนี่ยมีหลากหลายวิธีด้วยกันนะคะอย่างแรกก็คือการตรวจร่างกายานะคะซึ่งลักษณะทางกายภาพนี่แหละค่ะจะสามารถบ่งบอกความผิดปกติทางพันธุกรรมได้ด้วยวิธีดังกล่าวเนี่ยเมื่อ เด็กคลอดออกมาแล้วเหมือนทารกคลอดออกมาเนี่ยผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุกรรมเนี่ยจะทําการตรวจวัดขนาดของศรีรษ ะ, <ข>ะระยะห่างระหว่างดวงตาความยาวของแขนและขาอาจจะมีการตรวจระบบประสาทรวมถึงระบบสายตาด้วยหรือบางทีเนี่ยจะต้องเอ็กซเรย์ดูภายในร่างกายเพื่อ น, นํามาวินิจฉัยว่าทารกเนี่ยป่วยเป็นทางพันธุกรรมหรือเปล่า อ, อันนี้ก็บ่งบอกถึงความก้าวหน้าทาง <ขะ S 1> ทางการาการ <พะ S 2> า, การทแพทย์ใช่ค่ะก็คือตรวจตั้งแต่ออกมาจา ก, กท้องคุณแม่เลยทีเดียวนะคะตรวจร่างกายเสร็จไม่พอยังต้องดุ๊ก ประวัติสุขภาพของพ่อกับแม่ด้วยนะคะประวัติการรักษาโรคต่างๆของพ่อและแม <inter Hob art> <minimalist> <ric> ่ที่เกิดขึ้นตั้งแต่กําเนิดถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญเลยนะคะที่ทําให้แพทย์เนี่ยช่วยวิเคราะห์ได้ว่าทารกที่กําลังเกิดมาเนี่ยหรือเกิดมานั้นมีความผิดปกติทางพันธุกรรมหรือไม่นะคะประวัติสุขภาพของครอบครัวความผิดปกติทางพันธุกรรมมักเกิดขึ้นภายในครอบครัวค่ะดังนั้นหากแพทย์ทราบว่ามีคนในครอบครัวป่วยเป็นโรคทางพันธุกรรมใดๆก็ตามก็จะทําให้แพทย์สามารถวิเคราะห์แบบแผนความเสี่ยงของโรคทางพันธุกรรมที่อาจจะเกิดกับทารก ที่กำลังจะเกิดมาด้งไงนะคะการตรวจพันธุกรรมค่ะ เป็นการตรวจที่สามารถระบุความผิดปกติของพันธุกรรมได้ชัดเจนและสามารถตรวจได้หลายวิธีโดยมักจะใช้การตรวจพันธุกรรมกับกรณีดังต่อไปนี้นะค ะ, อ, ะอย่างแรกตรวจหาโรคทางพันธุกรรมของทารกในครรภ์ของแม่ตรวจหาความผิดปกติของยีในในร่างกายของพ่อกับแม่ที่อาจจะถ่ายทอดไปสู่ลูกไดไ้การตรวจคัดกรองตัวอ่อนในครรภ์ของแม่เพื่อหาโรคทางพันธุกรรมตรวจหาโรคทางพันธุกรรมในผู้ใหญ่ก่อนที่จะเกิดอาการขึ้นตรวจวินิจฉัยเพื่อยือนยันโรคในผู้ที่เริ่มมีอาการของโรคทาง พธุรรมตัววินิจฉัยเพื่อใช้ประกอบในการเลือกใช้ยาและปริมาณของยาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยในการตรวจแพทย์จะเอาตัวอย่างเลือดแล้วก็เนื้อเยื่อของผู้เข้ารับการตรวจหรือใช้อุปกรณ์พิเศษเพื่อนําตัวอย่าง d n a อ็ของทารกในครรภ์ส่งตรวจไปยังห้องปฏิบัติการค่ะโดยในการตรวจทางห้องปฏิบัติการจะสามารถตรวจหาความผิดปกติทางพันธุกรรมได้3วิธีค่ะก็คือวิธีแรกก็คือการตรวจสารพันธุกรรมนะคะ เป็นการตรวจโดยการใช้ยีนหรือว่า DNA ช่วงสั้นๆมาตรวจเพื่อระบุลักษณะของยีนว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ากลายพันธุ์ซึ่งอาจจะนำไปสู่โรคพันธุกรรมหรือไม่การตรวจโครโมโซมเป็นการตรวจวิธีที่สองนะคะเพื่อหาความเปลี่ยนแปลงของโครโมโซมความยาวแล้วก็จํานวนของโครโมโซมค่ะวิธีที่3เป็นการตรวจนะคะตรวจสารชีวเคมีในพันธุกรรมนะคะเป็นการตรวจนับและดูการทํางานของระดับโปรตีนในสายพันธุ์ในสารของพันธุกรรมค่ะ เพื่อหาความผิดปกติเพียงเล็กน้อยก็อาจาก่อให้เกิดโรคธรรมนุกรรมได้การตรวจพันธุกรรมสามารถทำได้ตั้งแต่ทารกยังอยู่ในครรภ์หรือแม้จะเข้าสู่วัยสูงอายุแล้วก็สามารถตรวจได้ซึ่งการตรวจนี้จะช่วยให้แพทย์พบความผิดปกติ ที่แม้จะไม่สามารถรักษาได้รักษาให้หายได้แต่ก็ช่วยให้แพทย์สามารถวางแผนในการดูแลประคับประคองอาการของผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้การตรวจทางพันธุกรรมยังช่วยให้บุคคลในครอบครัวทราบถึงความเสี่ยงนะคะที่จะมีการถ่ายทอดความผิดปกติทางพันธุกรรมไปสู่รุ่นต่อไปหรือผลกระทบที่อาจจะขึ้นในครอบครัวได้นะคะการรักษาบ้างค่ะโรคทางพันธุกรรมเนี่ยเกิดขึ้นจากสารพันธุกรรมที่เป็นต้นกําเนิดของเซลล์ในร่างกายจึงทําให้โรคทางพันธุกรรมส่วนใหญ่ ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ค่ะทําได้แค่รักษาตามอาการหรือว่าประคับประคองสุขภาพของผู้ป่วยให้สมบูรณ์มากที่สุดนอกจากนี้นะคะผู้ป่วยที่เป็นโรคทางพันธุกรรมจําเป็นต้องพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอเพื่อติดตามอาการและป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังได้ค่ะในปัจจุบันมีการรักษาแบบใหม่ที่เรียกว่าการรักษาด้วยยีนบําบัด นะคะเป็นเทคนิคการรักษาที่เข้าไปเปลี่ยนแปลงยีนของผู้ป่วยทําให้ความผิดปกติลดลงหรือว่าหมดไปค่ะแต่การรักษาดังกล่าวก็ยังไม่ได้มีผลยืนยันว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดค่ะก็ยังอยู่ในขั้นตอนระหว่างการศึกษาวิจัยอยู่นะคะค่ะทั้งหมดทั้งมวลที่น้องทีบอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือในเรื่องของการตรวจสุขภาพก็คือ<ม>อาจจะดูจากประวัติพ่อแม่ตรวจสุขภาพของเราหรือว่าสาเหตุนะคะแล้วก็การรักษานั่นเองทีนี้ สุดท้ายค่ะคุณผู้ฟังเรามาดูถึงการป้องกันบ้างมันป้องกันได้ไหมคะมันป้องกันได้ไหอมันสามารถป้องกันได้รักย่งรักษาไม่หายขาดได้ใช่ค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะบอกกันตรงๆเลยละคุณผู้ฟังว่าก็ยังไม่มีวิธีการใดที่ทางแพทย์เนี่ยเขาจะช่วยป้องกันโรคทางพันธุกรรมได้เพราะว่ามันจะป้องกันได้ยังไงเพราะว่ามันเป็นทางยีนทางถ่ายทอดทางพันธุกรรมใช่ไหมคะแต่ทีนี้ เราสามารถที่จะใช้คำว่ารับมือได้นะค ะ, คะก็โดยครอบครัวที่มีประวัติทางพันธุ ก, กรรมเนีละคะหรือว่ามีความเสี่ยงว่าความผิดปกติเนี่ยอาจจะได้ทอดไปยังสมาชิกในครอบครัวรุ่นต่อต่อไปรุ่นลูก ร, รุ่นหลานนะค ะ, คะฉะนั้นแล้วเราก็ควรที่จะต้องรับการปรึกษาทางพันธุ ก, กรรมก่อนที่จะตั้งคันถึงได้มีที่มาว่าก่อนที่จะตั้งคันอันนี้ต้องก่อนตั้งแต่ตั้งคันเลยค่ะก่อนแต่งงานเลยด้วยซ้าก็ต้องไปตรวจ จุงมือกันไปพบคุณหมอนะคะไปตรวจทั้งหมดเลยว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของพันธุกรรมของทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายชการเข้ากันได้ไหมมีโรคอะไรแทรกซ้อนอยู่หรือเปล่าก็คือต้องจุงมือกันไปตรวจตั้งแต่ก่อนที่จะแต่งงานเลยนะคะซึ่งคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเนี่ยจะคอยแนะนําแล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสแล้วก็ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ระหว่างการตั้งครรภ์เพื่อที่จะให้ครอบครัวเนี่ยได้วางแผนแล้วก็ดูซิว่าจะมีการมีบุตรเนี่ยจะตัดสินใจว่าจะมีหรือจะไม่มีหรือว่าจะเริ่มให้ตั้งครรภ์ตั การเข้ารับการปรึกษาเนี่ยไม่จำเป็นว่าต้องเป็นครอบครัวที่มีความเสี่ยงทางพันธุกรรมเท่านั้นแต่ยังมีบางคนเนี่ยเข้าใจว่าก็คือยังมีบางกลุ่มนี้ควที่จะเข้ารับการปรึกษาคุณหมอนะคะ อ, อย่างเช่นคนที่มีอายุมากกว่าสาสิบหปีแต่ต้องกา ร, รมีบุต ร, รก็คือ อายุสาแล้วยังไม่มีบุตรเลยแต่ต้องการจะมีแหละเพราะว่าเราเคยได้ยินกันมาว่าถ้าเกิดใครที่มีอายุ35ปีขึ้นไปถ้าเกิดจะมีบุตรเนี่ยต้องปรึกษาคุณหมอเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องของอายุเกี่ยวกับเรื่องอของค้ำความเสี่ยงใช่ค่ ะ, คะทีนี้ผู้ที่มีประวัติ ที่เคยประวัติเกี่ยวกับเรื่องของการแท้งเนี่ยหรือว่าทารกเสียชีวิตในคันโดยที่ไม่ทราบสาเหตุเนี่ยอันนี้ต้องมากกว่า3ั่ครั้งก็คือบางกลุ่มเนี่ยอาจจะต้องอยู่ในครั้นใช่ก็คืออาจจะแบบคันไม่แข็งแรงอะไรแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะมีบุตรแต่ว่าเกิดภาวะแบบนี้เนี่ยก็ต้องเข้ารับคําปรึกษาใช่ค่ะผู้ที่เคยได้รับการศึกษาด้วยได้รับการรักษาด้วยเคมีบําบัดหรือว่าผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคลมชักอื นะคะรวมถึงโรคเบาหวานด้วยล่ะก็อาจจะส่งผลกระทบต่อทารกได้ผู้ที่เคยได้รับสารเคมีที่อาจส่งผลให้เกิดความพิการแต่กำเนิดของทารก อันนี้เนี่ยอันตรายมากนะคะก็ต้องไปพบคุณหมอก่อนหรือว่าผู้ที่มีการติดเชื้อไวรัสระหว่างตั้งครรภ์ผู้ที่ใช้ยาหรือแอลกอฮอล์ในระหว่างที่ตั้งครรภ์มารดาที่มีผลการตรวจสงสัยว่ากลุ่มอาการดาวของทารกในครรภ์นะคะมารดาที่มีการตรวจอัลตราซาวและพบความผิดปกติของทารกผู้ที่มีความกังวลค่ะว่าจะเกิดความพิการแต่กําเนิดของทารกหรือว่าโรคพันธุกรรมเนี้ยแล้วก็ต้องการที่จะตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมซึ่งการเข้ารับคําปรึกษาในแต่ละครั้งเนี้ยจะใช้เวลาประมาณ20นาทีคือ ประมาณนั้นแต่นาทีจนถึงหนึ่งชั่วโม ง, โมงค่ ะ, คะก็โดยคุณหมอผู้เชี่ยวชาญนะคะก็อาจจะให้ทั้งคุณพ่อคุณแม่นี่แหละค่ะทำการตรวจทพันธุกรรมเพิ่มเติมก็อาจจะมีการตรวจ อายุคันนะคะโดยใช้วิธีนิยมในการตรวจก็คืออาจจะเป็นการเจาะน้ําคร่าในที่ท้องทีบอกนะคะซึ่งถือว่าเป็นการตรวจเจาะน้ําคร่าที่อยู่รอบตัวเด็กภายในมดลูกนี่มาตรวจนะคะวิธีนี้จะใช้กับคันที่มีอายุคันตั้งแต่ 16- บหกถึงยีสัปดาห์ค่ะซึ่งจะช่วยให้คุณหมอแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยทราบถึงความผิดปกติของทารกได้เขาก็จะเจาะอยู่บ่อยๆเหมือนกันนะคะก็คือดูความผิดปกติของทารกอย่างที่บอกก็คือเมื่อก่อนจะบอกว่าอายุ35ปีขึ้นไปแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคุณพ เพราะฉะนั้นการเจาะน้ำคร่าก็อาจจะเจาะก่อนก็นกคือป้องกันรโรคทางพันธุกรรมได้ใช่ค่ะหรือว่าการตรวจโครโมโซมนะคะเป็นการตรวจโดยการนำเอาตัวอย่างของโรค นะคะ ม, มาตรวจดูความผิดปกติของโครโมโซมโดยการตรวจแบบนี้เนี่ยจะอยู่ในช่วงอายุคันประมาณ1 0บถึงสิสัปดาห์ซึ่งการตรวจเหล่านี้ล่ะค่ะคุณนุ่ฟางจะช่วยประกอบคําแนะนําแล้วก็การตัดสินใจของครอบครัวว่าหากเริ่มตั้งครันแล้วเนี่ยทารกจะมีความผิดปกติหรือไม่คุณหมอหรือผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็จะชี้แจงทั้งข้อดีและข้อเสีย ร, รวมถึงก็จะมีทางเลือกให้ครอบครัวได้ตัดสินใจถ้าเกิดว่าทางครอบครัวตัดสินใจที่จะยุติการตั้งครันก็สามารถทําได้ทันทีโดยที่ไม่ผิดกฎหมายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอยู่ในิน ของคุณหมอและผู้เชี่ยวชาญ น, นะ ค, คะทีนี้โรคทางพันธุ ก, กรรมเนี่ยเป็นโรคที่ไม่สามารถคาดเดาให้เกิดได้แต่สามารถที่จะรับมือแล้วก็แก้ปัญหาได้นะคะถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะมีการเรียนรู้แล้วก็เข้าใจในโรคนี้เป็นอย่างดีเนี่ยก็จะทำให้คู่สามีภรรยานี่ละค่ะมีบุตร ได้มากขึ้นรวมถึงว่าต้องมีการวางแผนครอบครัวอย่างรอบครอบมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโรคทางพันธุกรรมนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะถึงได้เป็นเหตุผลนะคะคุณผู้ฟังว่าทําไมช่วงนี้หรือว่าระยะหลังมานเนี่ยมีการรณรงค์ว่าถ้าเกิดว่าจะแต่งงานเนี่ยต้องมีการไปตรวจร่างกายกันก่อนแล้วก็มีความรู้สึกค่ะน้องทีว่าสมัยนี้เนี่ยผู้หญิงเนี่ยถึงแม้ว่าจะอายุประมาณ 30ต้นๆหรือช่วง 30- มสถึงสีเนี้ยต้องการที่จะมีบุตรหรือว่าอายุประมาณสัก26 27 28เจี่ยต้องการที่จะมีบุตรเนี้ยเขาก็ต้องไปตรวจคานหรือว่าตรวจสุขภาพกันมากขึ้นก็คือเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้แล้ค่ะเพราะาบางทีเนี่ยอาจจะได้โรคทางพันธุกรรมที่เราอาจจะไม่รู้ตัวมาก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดเราไปตรวจเนี้ยก็จะทําให้เราเนี้ยได้รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหรือว่าหาวิธีป้องกันหาวิธีรักษาหรือว่าหาวิธีแก้ไขได้อย่างถูกต้องเพราะว่าบางทีเนี่ย เกิดมาแล้วว่าถ้าเกิดให้เ้าเกิดมาแล้วถ้าเกิดว่าบางคนก็อ่ะไม่พร้อมในเรื่องต่างๆหรือว่าลูกหรือว่าเด็กที่เกิดมาในมีความไม่พร้อมมันก็จะทำให้คุณพ่อคุณแม่นะ ก, ก็เข้าใจอยู่แหละบางทีเน้นในเรื่องของการเลี้ยงดูในเรื่องของเวลาในเรื่องของอะไรต่างๆที่ต้องดูแลเอาเจใส่ก็จะเป็นเรื่อง ที่จะต้องตา ม, มาอีกหลายเรื่องเพราะฉะนั้นเราก็ใครที่กิลังจะแต่งงานนะคะคุณผู้ฟังจุงมือกันค่ะจุงมือคุณคุณผู้ชายนะคะไปตรวจสุขภาพก่อนที่จะตั้งครรภ์แล้วก็ก่อนที่จะแต่งงานค่ ะ, คะ รู้ว่ามันเป็นโรคที่รักษาไม่หายหรือว่าถ้าคนสมัยก่อนๆเราะอาจจะไม่ได้มีการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานนะค ะ, คะทีเราอาจจะได้มอร์ดกมาแล้วสิ่งที่ทําได้ก็คือดูแลตัวเองให้แข็งแรงแล้วก็ไปพบแพทย์ตรวจสุขภาพประจําปีบ่อยๆนะคะก็ะจะทําให้เราสามารถรักษาอาการไม่ให้มันรุนแรงนะค ะ, คะหรือว่าทานอาหารที่มันมีประโยชน์ที่คุณหมอแนะนํานะคะเราก็จะแข็งแรงแล้วก็อยู่กับโรคทางบรรลุกรรมได้นะคะโดยปกติธรรมดาเลยนะคะก็เอามาฝากกันค่ ะ, ค ะ, คะ เป็นทอปดีๆจากเราทั้ง2คนนะคะขอบคุ ณ, ค, ณ, ค, ณคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการนะคะพบกับเราได้ใหม่ในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะช่วงเวลา4ีนาฬิกาถึง5นาฬิกานะคะดิฉันธีรวดียิ่งมีค่ะดิฉันนัดนาลีสุขดีค่ะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮที่กลับกลับของคนรักสุขภาพ สนับสนุนโดยมห AH าวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญ, ญบุรีมห AH าวิทยายลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมรับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง w w w r a d i o r m u t t a c t h หรือติชมรายการได้ที่ facebook.com/slash rmutt.radio หรือทางล ne official @rmutt.radio